ก็กราบบูชาประธตนาตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์นั่นแต่ลงพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอแสดงความกรบมรรรับยังพระอาจารย์ไผ่สารครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกจรรญพรมายัางแม่ชีบาสุกุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลานะที่เราได้ร่วมกันนะได้ทำภารกิจนะสำคัญนะที่จะร่วมกันส่งหลวงพ่อคำเขียนนะคืนสู่ธรรมชาตินะซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราได้ร่วมกันทำนะซึ่งโตบผมนิตมาเองนะก็รู้สึกชื่นชมกับพวกเราที่ได้ร่วมกัน นลไคกลมือนะไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะก็ทำกันด้วยความเต็มเต็มอกเต็มใจนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็ได้มอบหมายให้พวกเรานะได้ช่วยกันทำนะแม้ว่าท่านจะละสังขาร น, นะจากไป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 จะทำยังไงได้เนะ่ะจะเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็เรียกว่าเป็นความอยากเล็กๆนะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราต้องไปสืบสาวแล้วไปดูาการดาเนินชีวิตของท่า น, นาว่าท่านผ่านอะไรมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอกที่จะสามารถที่จะทำให้สงบอย่างนั้นได้นะการจากไปด้วยอาการที่สงบมีสติสมบูรณ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 นะซึ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังท่านใช้เวลาประมาณ2ปี8เดือนนะท่านก็เข้าใจทั้งระบบนะจนถึงกับขณะที่ว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองนั้นเป็นอิสระจากความทุกข์ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งมทีเ่เป็นการยืนยันหรือเป็นการพิสูจนะ์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่บอกว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นตำนานมันไม่ใช่ เ, เรื่องเล่าที่เราได้ยินได้ฟังมาน่ะ2 0 0พกว่าปีาการที่มีครูบาอาจารย์นะได้พูดให้ฟังนะได้ทำให้ยให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้สัมผัสต ร, ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำให้เรามีความ เ, าเห็นจริงนะ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 เราเราก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามนะที่จะทำลงไปนะด้วยการทำตามที่ท่านได้สอนได้พูดได้บอกนะซึ่งหลักใหญ่ๆก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะทำในรูปแบบนอกรูปแบบนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทั้งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะเท่าที่ตัวกระปมเนตมาได้ยิน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 นะความฟุ้งซ่านนะพวกนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเป็นธรรมะที่เขามาแสดงให้ดูเพระาะฉะนั้นตรงนี้แหละเราจะได้เรียนรู้กันการจากไปของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยตัวขราพนุสตมาเองก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นข้อสอบโจทย์ใหญ่นะสำหรับพวกเราหลายคนนะบางคนอาจจะยังทำใจไม่ได้ นะก็รู้สึกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอวอ น, นะรับางคนก็อาจจะตกใจคาดไม่ถึงนะตัวกระผมนิทมาเองนะเมื่อด้ยินข่าวครั้งแรกก็รู้สึกโง์คาดไม่ถึงเลยนะท่านอาจารล่าได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ทรากนะในในวันเสาร์ที่23านะเวลาประมาณตีห้ากว่านะซึ่งตรงนั้นเราก็ก็ดีได้กลับมารู้สึกตัว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 เป็นอย่างยิ่งนะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ร่วมกันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่การจากไปของหลวงพ่อคำเขีย น, นยที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญนะ่มันก็เป็นการที่จะทำให้เรากลับมาดูใจของเรานะบางคนสติยังไม่ได้ฝึกฝนอย่างดนะีก็จะกระทบ ก, กระเทือนใจมีความเศร้าโศกเสียใจนะรู้สึกอะไรอวว์ นะแต่คนที่ได้ฝึกสติมาพอสมควร <c oughs> พอที่จะพึ่งตัวเองได้นะก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ได้นามาพิจารณากับตัวเราเองนะว่าสักวันหนึ่งนะเราก็ต้องไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอย่างไงนะซึ่งหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมให้เราดูเหมือนกันว่าการไปอย่างงดงามหมดจดงดงามเนี่ยมันทำยังไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่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 นะที่พักให้กับพวกเราถ้าเราไม่มีที่พักตรงนี้เราไม่สามารถที่จะกลับเืินสู่ความเป็นธรรมชาติตรงนี้ได้เนี่ยนะเราก็จะเหน็ดเหนื่อยนะเราก็จะทุกข์นะเราก็จะอะไรอวร น, นะเราก็รู้สึกห่วยหายนะสึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาให้เรามีความทุกข์นะเป็นสิ่งที่จะมากรัดก่อนจิตใจของเรานะสิ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่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 นะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายัางได้ยิงนะอยู่ใ น, ในหนะูแล้วก็อยู่ในใจของเรานะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ได้น้อมนำนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะในระยะสิบกว่าวันนี้นะมาเป็นเครื่องเตือนใจนะให้เราได้นํามาประพฤติปฏิบัตนะิอย่าได้เพียงแต่ชื่นชม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 ในส่วนของที่ตัวพระพุทธมรเองน่าได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะถ้าย้อนหลังไปก็สัก30กบกว่าปีที่แล้วนได้จะพบท่านครั้งแรกเนี่ยที่วัดสนามในนตอนนั้นไปเอ่อเรียนรู้นวะวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับหลวงพ่อเทียนนะซึ่งก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวผมนิธมรเองฟังหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะว่าหลวงพรอเทียนท่านจะพูดภาษาอีสานจะเป็นส่วนใหญ่เนาะภาษากลางเนี่ยท่านพูดได้แต่ว่าจำกัดมากแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้าที่จะไปเรียนวิธีฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เคยฝึกอาณาปณสติมาก่อนนะจากพี่สุพวัร น, นะซึ่งผลจากการฝึกตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เรามีความสงบนะมีความปลอดโปร่งโล่งสบายในขณะที่เรานั่ง นะ่ะแล้วก็ได้สัมผัสกับความความรู้สึกซาบซ่านปิตินะอิ่มอกอิ่มใจนะเป็นครั้งแรกที่ได้ได้สัมผัสแล้วก็ติดอกติดใจในความสงบตรงนั้นเรื่อยมาแต่ก็สังเกตว่าความสงบที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันมันบางทีมันก็ติดตัวไปขณะที่เราลืมตาไปแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นาน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 นะ ม, ν, ม ν, ึนมึนงงบางทีก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเพราะว่าเราไปจ้องที่จะดูความคิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อเทียนจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อคำเขียนไปช่วยนะที่วัดสนามในนะตัวพลณณ์รัมาเองก็ได้มีโอกาสไป เ, เรียนถามท่านครั้งแรกที่พบท่านเนี่ยเรารู้สึกประทับใจใน หลวงพ่อคำเขียนนะท่านสุขุมเยือกเย็นทั้งกริยาการการเดินการนั่งการขบฉันนะซึ่งตรงนี้ เ, นเป็นสิ่งที่ประทับใจนะที่เราเห็นได้ด้วยตานะยังไม่ได้พูดคุยเลยนะนะเมื่อได้เข้าไปรู้สึกประทับใจตรงนี้นก็เกิดความศรัทธาแล้วก็เข้าไปเรียนสอบถามท่านนะในเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการที่เราไปดูความคิด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 ให้พยายามที่จะมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนความคิดอย่าไปสนใจมันอารมณ์ต่างๆอย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงมันเป็นไปอย่างไงมันจะดับย่งไไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนจากคำแนะนำตรงนี้นี่แหละนะตัวผมนิตรมาเองก็เอาไปทำแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรามันประเภทคิดมากฮนะ ไปกระเชื่ออะไรง่ายๆใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันนะเมื่อไปทำแนละ้วเออมันคลายได้จริงๆคือเราไม่ได้ไปไปช่องไปดูไปจมอยู่กับความคิดเนี่ยนะเรามาดูเรามาสัมผัสรู้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันก็หลุดไปจากความคิดเน่ยนะนะซึ่งตรงนั้นนะมันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เรามองเห็นเออมันมีทางนี้เนาะ นะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่อาอ๋อมันมีวิธีการที่จะทําอย่างนีนะ้ซึ่งจริงๆหลวงพ่อเทียนนั่นก็พูดเหมือนกันนะว่าให้เรามีสติที่กายเคลื่อนไหวแต่ว่าเราฟังเนี่ยเราไม่ได้จับประเด็นตรงนี้เราไปจําว่าเป็นความคิดเพราะว่าเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนนั่นพูดว่าพวกนักศึกษาเรียนระดับปริญญานี่เป็นปัญญาชนแล้วก็ะฉะนั้นไปดูความคิดเลยนะซึ่งอันนี้เราอาจจะฟังผิดก็ได้นะแต่หลวงพ่อกําเขียนเนี่ยช่วยมาช่วยแก้อารมณ์ให้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 แต่ก็หาเวลานะที่จะมาอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะช่วงแรกๆนี่ก็ใส่ไปวัดสนามนายบ่อยหน่อยปีหนึ่งสองครั้งสาครั้งครั้งละสามวันหนะวัน7วันแล้วก็ไปทําอย่างเอาจริงเอาจังมากนะซึ่งตรงนั้นก็ทําให้เราได้ทบทวนนะสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนได้สอนหลวงพ่อเทียนได้สอนนะก็ทําให้เรามีกําลังใจที่ทําขึ้นมาแล้วกลับมาสู่งานนะเข้ามาสู่โลกแล้วก็ทํา นะซึ่งก็ถือว่าล้มลุกคุกคานนะไม่ใช่ว่าจะสาเร็จทีเดียวนะ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคุกคานนะแต่ก็พยายามที่จะทำเรือ่อยไปนะจนได้มีโอกาสนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะท่านจานทร์ทรงศิลปก็พยายามชวนนะให้มาบวชนะจังหวะนั้นพอดีเลยนะมันมีโครงกา ร, กรเกษียณก่อนกำหนดนะก็คิดไวแล้วนะว่าจะมา บวชอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนนะแล้วก็หลวงพ่อเทียนนัานสิ้นไปพปอดีนานแล้วนะหลวงพ่อเทียนสิ้นไปนานแล้วนะก็เลยถือโอกาสเนี้ยได้มาใช้ชีวิตนะอยู่ที่วัดป่าสุกโตระยะ3มปีที่ผ่านมาเนียการเจริญสติมีการมีโอกาสนะที่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดี นะทำให้เรามีความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอามาใชนะ้กับตัวเองได้มากขึ้นนะก็รู้สึกเป็นอิสระพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะของสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้หรือหลวงพ่อคำเกียนพูดไวนะ้ก็มีความเชื่อมั่นนะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอย่า ง, างมั่นใจนะในสิ่งที่ท่านได้พูดในสิ่งที่ท่านได้ทา แล้วเราก็เราก็จำเอามาปฏิบัตินะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็ น, ปนบุญวาสนาของเรานะที่ได้มีโอกาสมาปวดอยู่กับท่านนะแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตนจนสุดท้ายท่านอาจากพวกเราไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญวาสนาของตัวกระผมนิตมาเองนะแล้วก็จะได้ ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราทุกค น, นคงจะได้รับนอนิสง์จากการที่หลวงพ่อได้พูดให้เราฟังได้ทําให้เราดูแล้วก็เราก็น้อมมาปฏิบัติมันก็จะเกิดผลขึ้นมานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้เพราะว่าเรามีเวลา เรามีโอกาสนะโดยเฉพาะเรามาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยมีโอกาสในการที่เราจะฝึกปฏิบัติเต็มที่เลยนะก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชนนะ์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะเพื่อเป็นการสืบต่อสานต่อนะในสิ่งที่หลวงพ่อเทียน <c oughs> ได้ค้นพบไว้นะซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พุทธองค์